เทศนาที่76ลำดับที่9โดยหลวมพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอรธานีสแสดงคำในวันที่22มิถุนายน2558มีชื่อเรื่องว่าฝึกใจไปให้ถึงจุดหมาย นาโมตัสสะพะโคะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพะโคะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพะโคะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานั่ง ขยะวยธรรมมาสังขาราอ ป, ปรมาเดนะสัมปาเดทาตีติวันนี้หลวงพ่อจะได้กล่าวสังเวทนยกถาคือกล่าววันที่วันครบครอบวันมรณภาพของหลวงปู่เพียรวิริโยวัดป่าน้องกองแห่งนี้วันนี้เป็นวันหนึ่งที่พวกเรา คณะรัต า, าญาณโยมพระเนนลูกหลานได้มาพร้อมกันจัดงานลํำลึกถึงพระคุณขององค์หลวงปู่ของเราเพราะว่าวันนี้เป็นวันมรณภาพของท่านเมื่อหปีให้หลังแต่ในคราวนั้นองค์หลวงตาของหลวงตามหาบัวท่านก็ได้มาในงานศพของหลวงพ่อปู่เพียนท่านก็ได้แสดงธรรม ในงานศพจากนั้นพอมาปีต่อมาที่หลังอีกเราก็ได้มาวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่เพียนที่อยู่ในสระน้ําองค์หลวงตาท่านก็ได้มาเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์ในวันนั้นต่อมาปีไม่กี่ปีให้หลังหลวงตาก็ได้จุตินิรานัไปอีกเพราะนั้นพวกเราในฐานะลูกหลาน พระเนรน้องนุ่งทั้งหลายถึงยังไงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านได้วางหลักวางฐานไว้ให้พวกเราดําเนินเดินตามอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอย่างไรในตํำรับตาราหรือแนวธรรมคาสอนของครูบาอาจารย์มีมากหลากหลายอย่างสมมติว่าเป็นของหลวงตาอย่างนี้มีทั้งหนังสือมีทั้งเอ็สมมีทั้งรูปภาพภาพถ่าย วิดีโอให้พวกเราได้ฟังได้เห็นได้ศึกษามากมายทีเดียวเพราะนั้นพวกเราถ้าหาว่าผู้ใดใยในการศึกษาใยในการเรียนรู้พวกเราก็จะได้เรียนรู้ในแนวแถวปฏิบัติของท่านท่านปฏิบัติตนอย่างไรในขณะที่ท่านยังถกทรงทา้าส่งขันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงตามหาบวัวพวกเราควรจะศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุใดเพราะว่า องหลงตาในท่านทั้งได้ทั้งปริยัติท่านได้ทั้งปฏิบัติปริยัติท่านก็ได้เป็นมหาป ร, รียาท่านรู้บาลีอัครบาลีรู้หมดที่แปลอย่างไรศัพท์นี้มีอย่างไงส่วนปฏิบัติของท่านท่านก็เข้าไปศึกษาในแนวแถวปฏิบัติปฏิปทาของหลวงปู่มั่นจากนั้นท่านได้นำทำคำสอนของหลวงปู่มั่นมา บ, บอกกล่าวแนะนำ ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นท่านก็ได้บอกว่าเรื่องปริยัตท่านก็รู้ทางปฏิบัติท่านก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลท่านก็ยืนยันยืนยัดว่าท่านได้สําเร็จที่ตรงไหนอย่างไรอย่างที่ท่านยืนยันบอกว่าท่านสําเร็จมรรคผลที่วัดดอยธรรมเจดีย์อย่างนี้เป็นต้นอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายท่านได้ติดตามแนวทางองค์หลวงตา พวกเราก็จะได้ยินได้ฟังท่วนหน้ากันเว้นเสียแต่ว่าไม่ได้สนใจแต่ถ้าไม่ได้สนใจก็ไม่รู้นะแต่ว่าท่านว่าพวกเราสนใจใไฝ่ในการเรียนรู้พวกเราจะรู้ได้ว่าองค์หลวงตาท่านปฏิบัติดีปฏิบัติอย่างไรจากนั้นท่านก็ได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลปีพศเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ท่านบอกชัดเจนสรุปแล้วท่านก็บอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่กลับมาเกิดอีก อันนี้คือหลวงตาท่านยืนยัดยืนยันอย่างนั้นเพราะนั้นแนวทางปฏิปทาหรือแนวทางปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองหลวงตานี่ควรจะยึดเป็นแนวแถวปฏิบัติสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ตลอดถึงการเป็นอยู่เห็นไหมขนาท่านาไปบินเท่าบาทไม่ได้หัวแม่เท้าท่านขาดนะท่านยังยกขายกเขาข้างหนึ่งท่านยังฉันในบาทอีกต่างหาก ท่านฉันในบาดแท้ง ท, ที่ยกเขาเราเห็นไหมในวีดีโอนะนี่แหละอันนี้ก็คือแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงท่านจะเจ็บป่วยขนาดนั้นท่านก็ไม่ได้ปล่อยปาละทิ้งในกิจวะวัดคอวัดของท่านเพราะฉะนั้นขอให้พระเนนลูกหลานน้องนุงทั้งหลายให้ศึกษาในแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอย่าได้ปล่อยปาละเลยอันไหนเป็นศีลอันไหนเป็นธรรม อันไหนคือคุณงามความดีอันไหนแนวทางปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินก็อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเดินตามแนวแถวปฏิปทานั้นถ้าพูดอีกแบบหนึ่งเทว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด อ, อ, อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเดินตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นเป็นถุขทางด้านจิตใจเพราะนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าก็เป็นกระจกเงาส่วนหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าพาได้เจ้าได้ตัดสรุปพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณต้นเหตุคืออย่างไรจึงมีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงกบินรัพัฒอายุยีสิบปีท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนี่แหละสลดหดหูในพรไทยของท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงหาช่องทาง ออกไปหาวิธีการที่จะหลบหลีกหลีกลี้หนีออกไปบวชเอาไปอยู่ในป่าจากนั้นท่านก็เห็นคนแก่คนเจ็บและคนตายและเห็นส ม, มณะเห็นสอย่างเห็นทำเสียนสัมมนคือเห็นนักพรตนักบวชไปนั่งอยู่ตามลำพังที่โคลนต้นไม้นั่งขัดสมาธิแล้วก็นั่งอยู่ตามลำพังนั่งค้นคิดในเรื่องใดก็ไม่รู้ละส ม, มณะท่านนั้น แต่สิทธะไปเห็นและมองเห็นแล้วอมส ม, มณะท่านนี้เป็นตัวอย่างที่ดีถ้าเราอยู่ในเวียงวังอยู่วการบริหารจัดการบ้านเมืองไม่รู้เรื่องตำรวจไม่รเรื่องทาหารพิพากษาอายการทำมาหาเลี้ยงชีพพี่น้องประชาชนยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดคงจะหาช่องทางไม่ได้แต่ส ม, มณะท่านนี้ท่านอยู่ตามลําพังเราถ้าออกมานั่งคิดอย่างส ม, มณะท่านนี้น่ย คงจะมีช่องทางนะอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นสมณะจากนั้นพระองค์ยังได้ตัดสินพระไทยตัดสินใจหนีออกจากเวียงวังในวันเอ่ออกจากเวียงวังพร้อมกับนายันะม้าขันทกะ3มชีวิตนะเนี่ยออกไปกลางคืนจากนั้นพระองค์ก็ได้ไปถึงแม่น้าอโนมานาทีจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงผนวชได้ทรงบวช ใด้วยผ้ากาสาวะแล้วกับตัดพ ร, พระโมลีคือผมด้วยพระแสงดาบจากนั้นพระ อ, องค์ก็อยู่ตามลำพังมอบเครื่องบริเครื่องของใช้ที่เป็นของกษัตริย์ก็มอบให้นายชนะให้หนืให้ถือกลับมาเวียงหวังจากนั้นพระ อ, องค์ก็อยู่ตามลำพังแต่เราพิจารณาดูสิพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราเป็นกษัตริย์ จากนั้นพระองค์ได้ออกมาไปอยู่ในป่าโดงผงไพรอย่างนั้นนะ่ะความทุกข์ยากลําบากจะขนาดไหนแล้วการเป็นอยู่ล่ะใครเป็นผลรับรองพระองค์ใครเนี่ยเป็นน้ําอยู่ที่ไหนอะไรอยู่ที่ไหนกระป๋องน้ําอยู่ที่ไหนสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้พระพุทธเจ้าไม่มีเนีพระองค์อยู่ตามลําพังด้วยสาะแสวงหาด้วยพระองค์เองจากนั้นพระองค์ก็ไม่ได้คิดว่าไปสวแหวงหาความสุข ในการเป็นอยู่นานๆเพราะพระ อ, องค์ไปเสาะแสวงหาโมกขธรรมคือหนทางที่จะพ้นทุกข์เท่บทรมยังไงจึงจะมาไมมาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอันนี้คือจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าถ้าสรุปแล้วก็คือพระ อ, องค์ไปเสาะแสวงหาเรื่องจิตวิญญาณคือวาอ่าเรื่องค้นคว้าเรื่องวิญญาณคือจิตดวงนี้ใจดวงนี้อะไร ที่ทำให้เวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารเนเป็นหมาอัดด้วยเหตุอันใดจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ไปค้นคว้าอยู่เป็นเวลาถึง6ปีอันดับแรกแท่านก็ค้นคว้าเรื่องของกายซะก่อนเออถ้าเราได้ศึกษาในปฐมสมโพธเอพอพระองค์ทำทุกอย่างเออทำเยี่ยงหมาก็มีเออแล้วก็กินเออพวกสมัยนู้น่ะ เ, เขาเ า, เากินทานแลก้กินขี้วัวอย่างนี้ก็มี กินลรกเดอยกินลูกกระเบาก็มีแล้วกินถั่วกินงาก็มีมีมากมายที่ท่านทรมานกายในในชุดนั้นถึง6ปีลองถูกลองผิดลองผิดลองถูกอยู่เป็นเวลานานทีเดียวจนถึงอดกับปักยอาหารถึง49วันอันนี้แหละคือการทดสอบทดลองของพระพทุทธเจ้าจากนั้นท่านก็ได้ไปศึกษากับดาราบทอุตกระดาบท หรือสีสองท่านอยู่ในละแวกนั้นจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ศึกษาในวิธีธ ร, รมสมาธิแต่พระ อ, องค์ก็รู้ว่าไม่ใช่ทางเป็นแต่เพียงทําจิตให้สงบเท่านั้นไม่ใช่หนทางที่จะตัดกิเลสได้จากนั้นพระ อ, องค์ก็ถอนพระ อ, องค์ออกมาปฏิบัติตามลําพังลองผิดลองถูกจนถึงวันเดือนหกแผ่นวันนั้นพระ อ, องค์ได้ตัดสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณตอนหัวค่ําพระองค์ได้นั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงจารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกออจากนั้นพระองค์พระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนาเกิดฌานขึ้นมาท่านลำเลึกชาติหวนหลังได้ว่าปุเพนิวาสานุจติยานลําลึกชาติหวนหลังได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องนําให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้ทราบว่าหลักของพระพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกถ้าพระพุทธเจ้าตายแล้วสูญพระพุทธองค์จะระลึกชาติทุนหลังได้อย่างไงอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อจิตสงบลงไปแล้วท่านจะราลึกถึงชาติทุนหลังได้ชาติที่แล้วมาจากไหนและก็ชาติก่อนมาจากไหน เอ่วิญญาณเราได้มาจากไหนยาวเหยียดนะเพราะเหตุไรเพราะว่ามีที่ไปมีที่มาในอดีตชาติสารตกต่างๆอันนี้แรียว่าปุเพนิว่าสานุจติยาพอถึงเคียงคืนพระองค์ก็มองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ด้วยการเกิดแก่เจ็บตายในโลกที่มาจากไหนพอมองดูแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีกรรมของใครของเรากรรมคือการกระทํา ถ้าว่าผู้ใดทำกรรมดีกรรมดีก็จะส่งผลไปในทางดีถ้าไทยใครทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะให้ผลไปในทางที่ชั่วอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาหรือว่ามองพวกเรามองเห็นกันที่มานั่งอยู่ที่นี้มากมายหลายๆคนความทุกข์ไม่เหมือนกันบางทีก็มีเงินบางคนก็ยากจนบางทีกับคนพิการหูหนวกตาบอดบ้าใบอะไรสติปัญญาน้อยสติปัญญามากตาแหน่งสูงตาแหน่งต่า มีด้วยการทั้งนั้นเพราไรเพระองค์มองโดยแล้ ว, ว ก, กรรมคือการกระทำถ้าผู้ใดทำกรรมดีกรรมดีจะให้ผลถ้าใครทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะให้ผลสําหรับท่านผู้นั้นเพราะนั้นท่านจึงเมื่อท่านได้ตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านจึงให้โอวาท ป, ปฏิโมกวันมาฆบูชาท่านว่าอากตังทุกตังเสยโยปัจชาตปฏิดุกตัง กรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อท่านทงเมื่อท่านทำลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลท่านนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละสะรุปแล้วก็คือสิ่งไหนก็ตามถ้ามันผิดกฎหมายอย่าทำถ้าเมื่อท่านทำลงไปแล้วทา ส, สิ่งที่ผิดกฎหมายเมื่อเอาเขาเอากฎหมายที่ถูกมาจัดการกับท่านท่านนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง สิ่งเหล่านี้ก็อยากจะฝากไว้กับพวกเราพุทธบริษัทพวกทุกท่านนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็พอจวนสว่างท่านก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วนี่อันนี้ก็คือพระธรรมคําสอนของพุทธะที่ท่านได้ตรัสแนะนําสั่งสอนพวกเราพระองค์ได้ขึ้นไปสู่จุดหมายปลายทางคือสุดสูงสุด ในหลักธรรมคาสอนคือได้ตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณถ้าจะเปรียบเทียบก็ว่าพระพุทธองค์ได้ขึ้นไปอยู่บอดนยอดเขาอ e เวอเรตเทวะยอดเขาที่ไหนสูงที่สุดในโลกนี่คือยอดเขาอเวอเรตนะเออที่สูงที่สุดเนีแต่ทอนี้ก่อนที่เมื่อพระองค์ขึ้นไปอยู่บนยอดเขาอ e ิอวอเรตแล้วน่ยพระองค์ก็ย้อนนึกดูว่าก่อนที่เราจะขึ้นมาถึงจุดนี้ได้เราขึ้นมาได้อย่างไร วิธีการที่จะขึ้นมาจุดนี้เราขึ้นมาได้อย่างไรท่านก็นึกย้อนดูอยากนั้นก็ท่านก็รู้ที่เราขึ้นมาได้เพราะเรามีสเสบียงสเสบียงเดินทางเราได้เตรียมสเสบียงถ้าเราสเสบียงเราดีเรามีสเสบียงไม่ขาดสเสบียงในการเดินทางเราก็มากขึงถึงจดจุดนี้ได้สเสบียงเดินทางคืออะไรก็คือบุญกุศลคือคนที่มีทาน ถ้าคนมีทานยินดีในการทำบุญทาทานอันให้สงแห่งการทําทานเกิดในพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากนี่แหละคนที่มีทานไปในสถานที่ใดเกิดในสถานที่ใดไม่อดไม่อยากเพราะอะไรเพราะอันให้สงทานเกื้อกูลห น, นุนอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธองค์ได้ขึ้นไปอยู่ชะยอดเขา อ, อิวเเลต์นะท่านก็ต้องมีสเสบียงเดินทางคืออาหารความพร้อมของอาหาร ไปจนถึงจุดสุดท้ายเพราะเพรา ะ, ะไรเพราะท่านมีสเสบียงมีมีมีอาหารไม่ขาดอันที่สองก็คือเมื่อก่อนที่ท่านจะขึ้นไปท่านก็เตรียมพร้อมอสิ่งที่คุ้มครองท่านคืออะไรคือรองเท้าเสื้อผ้าเครื่องกันหนาวกันร้อนมีร่มแล้วก็สิ่งไหนที่อำนวยความสะดวกให้ท่านท่านมีเครื่องคุ้มครอง ในร่างกายของท่านก่อนที่จะท่านไปถึงที่นู่นถ้าหากว่าท่านแก้ผ้าขึ้นไปเนี่ยก็คงจะไม่ถึงยอดเขาเพราะมันหนาวฮะเพราะสิ่งอะไรรบกวนไปหมดพวกกลิ้นพวกยุงพวกสัตว์ภาษาราชิงเนีท่านไม่ได้เตรียมพร้อมแต่นี้พระ อ, องค์เตรียมพร้อมขึ้นไปสิ่งที่เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกจุดนั้นคืออะไรก็คือศินสินคุ้มครองถ้าเป็นผู้มีศีลคุ้มครองในตัวของเรา มีเครื่องมีอำนวยความสะดวกมีอาภร์มีเสื้อผ้ามีเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับเร า, เ, าเราก็ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางไปสู่ยอดเขาอเวอเรสตนั้นนี้ก็เหมือนกันอยากจะฝากไว้กับคณะสัทยายาดโยมลูกหลานทุกคนพวกเราไม่ควรจะมองข้ามเรื่องทานเรื่องศีล เ, เพราะฉะนั้นจากขั้นก่อนเราไป ถ, ถึงจุดหมายปลายทางก็ด้วยปัญญาของเราทิน คือสมาธิจากนั้นพวกเราจงนั่งสมาธิแล้วก็เดินปัญญาวิปัสสนาแต่นี้หลวงพ่อเองอยากจะเน้นย้ํากับให้กับพวกเราพุทธบริษัจทจตหาญาติโยมลูกหลานทุกคนถ้าเราเอาพระพุทธศาสน์เอาในปฐมมสมโพ่์หรือพุทธประวัติมาพูดอย่างที่หลวงพ่อพูดว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพในวันนั้นก็จะยาว มองไกลเกินไปเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงเน้นย้ําเอาปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรานี่ยแหละหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่มั่นในท่านสอนหลวงตามหาบัวสอนหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ครูบาอาจารย์พวกของพวกเราจากนั้นองค์หลวงตาก็ได้มาสอนคณะศิษยาณศิษย์อย่างหลวงปู่เพียรหลวงปู่บุญมีหลวงปู่ลีอย่างหลวงพ่ออย่างเนี้ย ท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรแนวทางปฏิปทานหรือว่าแนวทางที่ท่านจะเดินทางเพื่อหาทางพ้นทุกข์ถ้าเราเอาเยึดแนวปฏิปทานของพระพุทธเจ้าเราก็ไกลเกินไปอย่างสุดเอื้อมนะอันนี้เราเห็นเห็นอยู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านสอนอย่างไรอันดับแรกท่านก็บอกว่าให้ตั้งตนเป็นคนดีให้เป็นผู้มีศีลอย่างเป็นพระก็ให้มีอยู่ให้อยู่ในสมศีราชารวร นี่หลวงปู่มั่นท่านบอกท่านบอกว่าพระต้องเป็นผู้มีศีล น, นะอย่าออกนอกลูก่นอกทางถ้าว่าเป็นผู้ทุศีลแล้วทำจิตใจให้เศร้าหมองทำจะไม่เกิดขึ้นกับกับผู้ทุศีลผู้เป็นผู้ไม่มีศีลเพราะนั้นศรัทธาญาติโยมก็เช่นเดียวกันอย่างน้อยก็เป็นผู้มีทานมีศีลให้เป็นผู้ซํำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยพอสมควรจากนั้นกนะ็ท่านก็ให้ไหว ให้มีศีล น, นี่ศีลห้าเป็นพื้นฐานรองรับคนที่ไม่มีศีลห้าที่จะทําให้จิตใจเป็นสมาธินั้นมันก็ยากเหมือนกันเพราะจิตใจของเราวิตกกังวลในเรื่องต่างๆแต่ถ้าเราเป็นผู้มีศีลจะกกายวาจาของเราสํารวงกายวาจาของเราเรียบร้อยเป็นผู้มีศีลเราเมื่อนั่งสมาธิใจของเราก็ไม่วิตกกังวลว่าเมื่อกี้เนี่ย่าาไปตีไปฆ่าไปด่าใครเข้า เราก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะเราสัมรวมกายวาจาของเราเป็นเรียบร้อยแล้ว เ, เมื่อนั่งสมาธิจิตใจของเราก็จะได้รับความสงบแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปูม่ม่นของเราท่านววัฒน์ท่านนั่งสมาธิอย่างพระพุทธทเจ้าขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นกําหนดลมหายใจเข้ารั้วหายใจเข้าหายใจออกรั้วหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้น ทำให้สติของเราหลุดได้ง่ายเผลอได้ง่ายลืมลืมหลงได้ง่ายเพราะฉะนั้นควรจะสำทับด้วยพุทโธด้วยนะอันนี้ก็คือมันเป็ น, เ ป, นเป็นที่มาที่ไปของกรรมฐานทั่วาภาวนาพุทโธของหลวงปู่มั่นเพราะนั้นหลวงตาหลวงปู่ต่างๆหลวงปู่ฟัน่นครูบาอาจารย์ทุกองท่านจึงให้ภาวนาบริกรรมพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ ถ้าหาว่ากําหนดลมหายใจเข้าออกเฉยเฉยมันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายมันหลงหลืมได้ง่ายพระท่านจึงให้สำทับด้วยพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอันนี้คือสมัติคือทําจิตใจให้สงบการทําจิตใจให้สงบนั้นมีมากหลากหลายกรรมฐาน40อย่างของพระพุทธเจ้าแต่ก็มากกว่านั้นไปอีกนะ ถ้าเราได้ศึกษาแล้วในหลักธรรมคำสอนของพุทธะแล้วมากกว่านั้นที่จะตามใจให้จิตใจให้สงบแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านเอากรรมฐานอนุสติสิเอามาใช้สองอย่างคือพุทโธพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีรานุสติจารานุสติอันนี้คือค อ, อนุสติสิบแตพ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปู่มั่นของเรา ท่านเอามาใช้สองอย่างคืออาณาปานสติพร้อมกับบริกรรมพุทโธนะการบริกรรมพุทโธนั้นท่านบอกว่าอย่าไปตามลมเข้าไปในท้องและจะไปตามออกลมตามลมออกไปข้างนอกเวลาเรานั่งภาวนาในที่สงบสงัดอย่างพวกเรานั่งอยู่ในบ้านของเราเต้องหาที่สงบนะ อ, อ, อย่าหาที่พุ่นวายจะให้เสียงอืกอกะทึกคร์โคมเราต้องไปหาหมุมสงบในบ้านของเรา ในห้องห้องพระหรือห้องแอร์หรือห้องที่ไหนที่มิดเช็ดจากนั้นก็ปิดโทรศัพท์ปิดวิทยุโทรทัศน์ที่สิ่งที่มันจะบรบกวนในขณะที่เราจะนั่งสมาธิเพราะในช่วงนั้นเราเป็นให้เป็นตัวของตัวที่สุดไม่ให้มีเรื่องอะไรเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายในขณะนั้นเราให้เป็นตัวของตัวให้มากที่สุดคือไม่ให้มีเสียงอะไรเข้ามาบรบกวนจากนั้นเมื่อ เข้าไปในสถานที่อย่างนั้นแล้วเราก็อยู่ตามลําพังปนมมือขึ้นไหว้ครูซะก่อนข้าพระเจ้าจะนั่งสมาธเออิเราจะนั่งเก้าอี้ก็ได้เราจะนั่งอย่างไรก็ได้แต่ตามไม่จริงให้นั่งขัดสมาธิออดีที่สุดเพราะอะไรเพราะเราว่าข่าวนี้ครั้งนี้เราจะทําสมาธิเราต้องนั่งตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําบอกกล่าว เพราะนั้นเราควรจะนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นเราก็ปั่นมมือขึ้นระหว่าง อ, อกหรือเรามีหัวเขา่าหรืออะไรสิ่งที่มันมันไม่สะดวกสรุปแล้วไม่สะดวกในการนั่งจากนั้นเราจะนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งยอนขาก็ได้นั่งเหยียดขาก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้ได้ทั้งหมดละจะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ได้ทั้งหมดนะแต่ว่า ถ้าหาว่าเป็นไปได้ควรจะนั่งขัดสมาธินะจากนั้นเมื่อนั่งขัดสมาธิเรียบร้อยแล้วเราประนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูเสก่อนคือไหว้พระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธ ร, รมโมสังโฆพุทโธธ ร, รมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็เอามือลงเอามือลงก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ เนี่แหละเราไม่ต้องตามลมก็ไปในท้องและไม่ต้องตามลมออกไปท่านอุปมาอุปไมให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังให้ยืนเหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูคนเข้ามาในศาลาหลังนี้เราก็รู้ว่าคนเข้ามาว่ารู้ว่าคนเข้ามาคนเดินออกไปก็ให้รู้ว่าคนเดินออกไปหรือเรายืนอยู่ข้างประตูไม่ต้องเดินตามคนเข้ามาแล้วไม่ต้องตามเดินเดินตามลมคนออกไป ให้มีสติสัมปชัญญะในปลายจมูกจากนั้นเมื่อเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความสนใจมีสติสัมปชัญญะในปลายจมูกจากนั้นใจของเราก็จะรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อเกิดจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วก็จะได้ได้รับได้รับความสุขในการกจิตจิตใจได้รับความสุขในจิตใจสงบ ขึ้นมาวพรานัตถิสันติป ร, รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจิตใจจะได้รับความสงบเมันมีหลายระดับนะขนันศรัาญาติโยมผู้ปฏิบัติเท่านั้นแหละท่านมีช่องมีทางมีบอกมีกล่าวให้กับพวกเราคณนติจิตญาณุจิ์ลูกหลานคณนติศรัยเพราะว่าเราไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยปฏิบัติจุดนี้พวกเราเมื่อนั่งสมาธิเข้าไปแล้วนะ่ะ <c oughs> มันมีมากหลากหลาย <c oughs> แนวทางที่จะทําให้จิตใจของเราควาเขวลลืมหลงได้ง่ายเมื่อเรานั่งสมาธิจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบมันเสียดเข้ามาอันนี้เราบอกคณิกะสมาธิจากไปจากนั้นมาจติตของเราควบคุมสติได้อันนี้อุปจารสมาธิจิตใจนิ่งจะกิตจะเป็นอันไดสติเป็นนั้นนั้นเรียกว่าอัปปนาสมาธิ อันนี้คือสมาธิมีอยู่สามขั้นในหลักกฎเกณฑ์ของการนั่งสมาธิแต่ทุกวันนี้เขาก็บอกว่าคือว่าฌานฌานกับสมาธิแต่ตามพระจิงหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าฌานเป็นผลพลอยไดจากสมาธิถ้าจิตใจไม่สงบจิตใจไม่นิ่งจิตใจไม่เป็นสมาธิสก่อนจะไม่เกิดฌานฌานเป็นผลพลอยไดจากสมาธิเพราะนั้นจะเป็นปฐมฌาน ตุติยะชาญตติยะชาญจะตุชัชชาญจนถึงเนวัตัญญานาสัญญาสัญญาเวทยิตานิโรธธรรมาบัตรก็าตา่ำก็ต้องนับหนึ่งจากกอไก่ซะก่อนก่อนที่จะเป็นเรียนเป็นด็อกเตอร์มันก็ต้องเรียนกอไก่ซะก่อนแต่พ่อแม่ครูบาจารย์สายหลวงปู่มั่นของพวกเราท่านไม่ให้ให้ความสําคัญเรื่องชานญคนั้นชาญครนี่ละนั่นน่ะละนี่อันนั้นเป็นวัดภาวนาเลี้ยงแบกทันวันนะ ภาวนาเรียงแบบเรียงแบบเอาตัวอักษรมาภาวนากายซะก่อนจะเวทนาจิตเวทนา พ, พิจารณ า, ากายซะก่อนจะพิจารณ า, าเวทนาพิจารณ า, นาจากนั้นเวทพิจารณ า, าจิตจากนั้นก็อมองเห็นธรรมอันนั้นเราบอกภาวนาเรียงแบบแต่ตามไม่จริงกรรมฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มันเท่ากับจับทีเดียวเหมือนกับเราจับแหยจังนั้น เฮ้มันหวานแล้วเวลาระหวานมันจ้าไปมันหวานมันวงกว้างแต่เราจับจอมแห่ขึ้นมายกกอมแห่มาตียนมารวมกันขึ้นมามันก็เป็นก้อนอันนั้นขึ้นมานี่แหละใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราจับสติอยู่จับจุดใดจุดหนึ่งจิตใจของเราก็จะจะรวมสงบมาเป็นหนึ่งพอจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่ง ที่เป็นจิตใจรวมสงบแล้วจะว่าฌานหรือจะว่าสมาธิจะว่าอะไรเราก็าไม่ได้ต้องสงสัยมันจิตมันนิ่งเออมตรู้ด้วยตนเองว่านัตถิสันติปรัรงสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเรารู้ได้ด้วยตัวของท่านเองเมื่อเราปฏิบัติถึงจุดนั้นแล้วเรารู้ได้ด้วยตนเองและมั่นใจอีกว่าตายแล้วเกิดด้ตายแล้วสูญจุดนั้นอีกบอกบ่งชัดในตัวของเราเอง เพราะว่าเมื่อจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งอย่างนั้นแล้วจิตเป็นจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกขตาอย่างนั้นแล้วมองเห็นร่างกายของเราร่างกายเนี่ยเป็นเหมือนกับรถจะจิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเป็นคนละอันกันเห็นได้ชัดเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วบอกตัวเองได้ว่าร่างกายเนี่ตายแต่สลายลงไปสู่ดินน้ำหลมไฟแน่แต่จิตใจคือนามธรรมา ใจตัวนั้นนะ่ะต้องไปเกิดในภพภูมิต่างๆสมกับธ ร, รมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้ว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจจริงแท้แน่นอนเพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ร่างกายแตกตายสลายแน่แต่นามธรรมคือตัวผู้รู้ตัวนั้นออกจากร่างแล้ว จะไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆตามบาปกรรมหรือบุญกุศลที่ตนได้กระทำไว้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านดักทำคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์แต่ต้องได้เพราะนั้นขอให้พวกเราศึกษาและปฏิบัติตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนพวกเราจะได้รับความสงบพรมเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจ วันนี้หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธบภ า, าษิตเบื้องต้นว่าบูชาจะปูชนียานั่งบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่คุณบูชาคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพวกเรามาในงานคราวนี้คือหลวงพ่อหลวงปู่เพียรวิริโยของพวกเราเป็นพระมหาเถรที่พวกเราคณะสิทธิานุสิท์ทั้งหลาย ควรจะเชิดชูบูชาเพราะท่านเป็นผู้มีพระคุณเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ถึงยังไงหลวงพ่อย้าเตือนอีกว่าขยัวยธรรมมาสร้างคาราอั ป, ปมาเดนะทัมปาเดทาติหลวงพ่อย้าเตือนอีกว่าถึงยังไงก็ตามร่างกายสังขารของพวกเราเนี่ยที่นั่งอยู่ด้วยกันนี่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนคณ ท, ทายญาติโยมลูกหลาน เกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสได้สอนได้บอกได้กล่าวเอาไว้เพราะฉะนั้นให้พวกเราท่านหลากหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดประโยชน์ตนคืออะไรประโยชน์ตนก็คือให้ทานรักษาศีลภาวนาให้เตรียมก่อนที่จะเดินทางขึ้นยอดภูเขาอเวอเรสตนั่นแหะ เ, เราทํำยังไง ต้องมีทานไม่ต้องมีสเสบียงในการเดินทางถ้าคนไม่มีสเสบียงเกินทางไปไม่ถึงไม่กี่น้ํำหมดเพอเพยยังไปตกเหวอีกต่างหากตกเหวก็คืออะไรตกนรกหมกไหมเพราะทำเพราะทำกรรมชั่วนะแล้วก็ไม่มีเครื่องอป้องกันตัวอีกต่างหากคือเป็นผู้ไม่มีศีล น, นี่แหละไอ้น้าพอยคอยพวกเราทุกๆท่านนะ อ, อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเป็นผู้มีทานมีศีลคุ้มครอง เ, เมื่อเราไปพูดมีทานมีศีลคุ้มครองแล้วยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็คือเราจะช่วยเหลืออย่างไรในชุมชนสังคมประเทศชาติบ้านเมืองที่เราอยู่ด้วยกันอย่ามองดูได้อย่างองค์หลวงตาที่ท่าน เ, เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของเราท่านช่วยทองคําเข้าคลังหลวงเท่าไหร่ตั้ง13ตันกว่า เ, เงินดอลลาร์อีก10กว่าล้านดอลลาร์ แล้วก็ช่วยโรงพยาบาลช่วยสถานที่ต่างๆนี่แหละตัวอย่างที่ดีสําหรับพวกเราคณะศิษยานุศิษย์ลูกหลานทั้งหลายยังประโยชน์ตนท่านก็ไม่ได้ประมาทท่านได้สําเร็จทำตนให้ท่านได้สําเร็จมรรคสำเร็จเพดสําเร็จผลเป็นพระอรหันต์เป็นที่ภาคภูมิใจสําหรับองค์ท่านสุดๆแล้วนะจากนั้นท่านก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมอีกประโยชน์ตนจบแล้วก็ประโยชน์คนอื่นท่านนี่แหลพวกเราให้เดินตามแนวแถว ปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินองหลวงตาเป็นตัวอย่างเพราะนั้นการกล่าว ส, สังเวทนิทนยกถาในวันนี้ก็เห็นว่า ส, สมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนัตรยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกด้วยอนุภาพบุญบรมีของหลวงปู่เพียรวิริโยที่ท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นบุญบารมีของท่านยาวนานขอให้มาคุ้มครองพี่น้องลูกหลานศรัทธาญาติโยมพระเนนทุกๆท่านจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปราศถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราศถนาทุกๆ ท, ท่านด้วยเถิน